สิบสองมิจฉาทิฐิเป็นอกุศลที่ร้ายแรงมิจฉาทิฐิเป็นอกุศลร้ายแรงพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรมีโทษร้ายแรงเท่ามิจฉาทิฐิอย่างเช่นเรามีมิจฉาทิฐิเราคิดว่าต้องทรมานแล้วจึงจะบรรลุธรรมเราไปหลงทรมานเราจึงได้รับผลของอกุศลทรมานมากสิ่งที่ได้คือได้ความทรมานบางคนภาวนาสะดวกสบายกุศลให้ผลกุศลใหม่ๆนี่ก็สำคัญนะ ฉะนั้นต้องมีสัมมาทิฏฐิเสีก่อนดังนั้นก่อนปฏิบัติต้องเรียนสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้รู้เสีก่อนท่านสอนเรื่องทุกข์คือกายกับใจให้รู้ทุกข์รู้อย่างที่มันเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าเผลอไปก็ไปเพ่งเอาไว้ก็เป็นการแทรกแซงวันหนึ่งถ้าเรารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะถูกละโดยอัตโนมัตินิโรธหรือนิพานปรากฏ ต, ต่อหน้าต่อตาเลยทำไมเรียกว่านิพานปรากฏไม่เรียกว่านิพานเกิดขึ้น ก็เพราะนิพานไม่ได้เกิดไม่ได้ดับแต่กิเลสของเราเกิดดับเกิดดับเมื่อใดจิตของเราเลิกดิ้นรนก็จะเห็นธรรมที่ไม่ดิ้นรนพ้นการปรุงแต่ง